เจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตฝ่ายบุญฝ่ายกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่7เมษายนพุทธศักราช2550เป็นวันดีเพราะว่าเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้มาประกอบ ความดีกันมาทำบุญทำกุศลมาละเว้นจากการกระทำบาปมาชาระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ความดีจึงไม่ได้ขึ้นกับการทำความดีไม่ได้ขึ้นกับการกับเวลาไม่ได้ขึ้นกับสถานที่การทำความดีนั้นอยู่ที่กายวาจาใจเป็นหลัก อยู่ที่ไหนก็มีกายวาจาใจเราก็สามารถทำความดีได้เสมอไม่ต้องรอวันเกิดไม่ต้องรอวันขึ้นปีใหม่ไม่ต้องรอวันเทศกาลสำคัญสคัญค่อยทำความดีกันเพราะจะไม่พอเพียงการทำความดีควรจะทำอย่างสม่ำเสมอทำให้มากได้เท่าไหร่ยิ่งดี เพราะมีแต่คุณมีแต่ประโยชน์กับชีวิตและจิตใจจะเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความจเจริญรุ่งเรืองต่อไปอการทําอย่างอื่นนั้นแม้จะได้มามากน้อยเพียงไรก็ตามก็จะไม่มีคุณค่าเหมือนกับการทําความดีเพราะความดีเป็นสมบัติ ค, คู่กับใจ เป็นสมบัติของใจเรียกว่าทรั์ภายในเป็นสมบัติที่จะอยู่กับใจไปตลอดไม่มีใครสามารถแย่งเอาไปได้ไม่มีใครสามารถลักขโมยไปได้เพราะว่า <c oughs> เป็นของยอยู่ภายในใจนั่นเองต่างกับสมบัติภายนอกที่ไม่แน่เสมอว่าจะอยู่กับเราไปตลอดเวลาลอเพ วางอะไรไว้เดี๋ยวก็หายไปได้หรือแม้จะเก็บไว้อย่างดีใส่กุญแจไว้อย่างดีก็ยังมีคนมารักมาขโมยไปได้แล้วก็สมบัติภายนอกก็ไม่ได้ให้ความสุขความอิ่มเอิบใจเหมือนกับสมบัติภายในตายไปสมบัติภายนอกก็เอาไปไม่ได้ แต่สมบัติภายในนี้จะไปกับเราจะส่งเราให้ไปสู่ที่ดีที่ร่มเย็นเป็นสุขที่มีความพร้อมบริบูรณ์ด้วยทรัพย์และสิ่งต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีพดังนั้นเราจึงควรให้ความสำคัญต่อการทำความดียิ่งกว่าการทำสิ่งอื่นๆ สิ่งอื่นที่มีความจําเป็นต้องทำก็ทำไปพอประมาณพอกับความต้องการพ อ, พอกับความจําเป็นเช่นการดูแลรักษาร่างกายก็ให้ดูแลไปตามความต้องการของร่างกายร่างกายก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากมายนะักคือปัจจัยสี่มีที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่ม และอาหารถ้ามีพอเพียงสามารถอยู่ไปได้ไม่ขัดสนไม่ลำบากลำบนก็ถือว่าใช้ได้แล้วอย่าไปหลงกับการหาปัจจัยสี่ที่ละเอียดที่มีราคาแพงๆเพราะมันก็ไม่ได้ทำให้การดูแลร่างกายนั้นดีกว่าดีกว่าการ ดูแลด้วยสิ่งของราคาถูกๆเพราะมันก็ทำหน้าที่เหมือนกันเช่นอาหารเราจะรับประทานมื้อละร้อยบาทหรือรับประทานมื้อละห้า้ก็อิ่มเหมือนกันก็ดูแลให้ร่างกายอยู่ต่อไปได้เหมือนกันเสื้อผ้าที่ใส่จะมีราคาชุดละสองสหรือจะชุดละสองสามพัน มันก็ดูแลมันก็ทำหน้าที่ปกปิดอวัยวะต่างๆของร่างกายเท่านั้นปกป้องร่างกายไม่ให้ถูกมแมลงสัตว์กัดต่อยก็มีอยู่เพียงนั้นคือหน้าที่ของเสื้อผ้าดังนั้นเราไม่ควรเสียเวลากับการหาสิ่งเหล่านี้มาหาสิ่งที่มีราคาแพงๆมา เพราะของยิ่งแพงเท่าไหร่เราก็ต้องใช้เงินต้องหาเงินมากเท่านั้นแล้วถ้าเราต้องหาเงินมากๆเราก็จะไม่มีเวลาที่จะทำความดีเพราะเรามัวยุ่งแต่การหาสิ่งต่างๆที่เราอยากได้มานี่คือสิ่งที่ที่มีความจำเป็นหาได้แต่ขอให้หาแบบส ม, มถตเรียบง่าย แรงประโยชน์ของสิ่งที่เราหามาอย่าไปแรงอยู่ที่ความสวยงามอย่าไปแรงตามรสนิยมของสังคมถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะลำบากเพราะรสนิยมของสังคมนั้นเป็นรสนิยมของคนที่มีความหลงคนที่ไม่มีปัญญาคนที่ถูกความ โลกครอบงำอยู่ก็จะหลงกับสิ่งที่มีราคาแพงๆเพราะคิดว่าถ้าสิ่งไหนมีราคาแพงๆแล้วสิ่งนั้นจะต้องวิเศษ <c oughs> แล้วเมื่อคนนั้นได้นำเอามาใช้แล้วก็จะวิเศษตามไปด้วยจะวิเศษก็เฉพาะในสายตาของคนที่มีความหลงเท่านั้นเช่นถ้าเราขับรถกระบะ ไปไหนมาไหนจะไม่มีใครเขามองหน้าเราแต่ถ้าเราขับรถราคาสิบล้านขึ้นไปไปไหนจะมีแต่คนเขามองหน้าเราคนเหล่านั้นก็เป็นคนหลงทั้งนั้นเพราะไปดูที่รถไม่ได้ดูที่คนคนฉลาดคนมีปัญญาเขาไม่ดูที่รถรถจะราคาเป็นสิบล้านหรือเพียงแค่แสนสองแสนมันก็เป็นเพียงรถทั้งนั้นเอง เป็นพาหานะเป็นเครื่องมือที่จะพาให้เราไปจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งเท่านั้นจะเป็นรถราคาหนึ่งแสนหรือรถราคาส0บล้านก็พาไปได้เหมือนกันแต่คนที่มีความหลงพอเห็นใครขับรถราคา10บล้านขึ้นมาก็จะหูตาลูกวาวขึ้นมาเพราะมีกิเลสความโลภความอยากได้ นั่นเองเห็นเขามีแล้วก็เกิดความอยากจะได้เหมือนเขาคิดว่าเมื่อมีอย่างเขาแล้วตนเองจะวิเศษวิสโสขึ้นมาแต่ถ้าใจของตนเองยังมีแต่บาปกรรมทำอะไรก็ไม่คำนึงถึงเรื่องศีลธรรมทำอะไรก็ทำแต่ตามความต้องการตามความอยากของตน ถึงแม้จะไปเบียดเบียนไปสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น <c oughs> ก็ไม่สนใจ <c oughs> ขอให้ได้มาสิ่งที่ตนเองปรารถนา <c oughs> เท่านั้นก็พออย่างนี้ไม่ได้เป็นคนวิเศษวิโสแต่เป็นคนต่ำซามเป็นคนที่ไม่น่าคบค้าสมาคมด้วยมีใครบ้างที่อยากจะคบค้าสมาคมกับคน ที่ไม่ซื่อสัสตย์ุดริตคนที่ชอบโกงคนที่โกหก ห, กหกลอกลวงถ้าคบค้าสมาคมกับคนแบบนั้น <c oughs> ก็จะมีแต่ความเสียหายตามมาอย่างแน่นอนว่าเวลาเราเผลอเขาก็จะเอารัดเอาเปรีเราเขาหลอกเราได้เขาก็จะหลอกเอาดังนั้นอย่าไปหลงติดอยู่กับสิ่งของที่มีราคาแพ ง, แพง มันไม่ได้มีความวิเศษวิโสอะไรกับความแพงนั้นความแพงนั้นมันเกิดเพราะหนึ่งมันหายากก็เลยมีมีคนต้องการมากก็เลยมีการอยากมีการแข่งแข่งแย่งกันจะซื้อต่างคนก็ต่างให้ราคามากขึ้นไปเท่านั้นแต่ความวิเศษวิโสมันไม่มีอะไรเช่นเพชรนินจินดามันก็เป็นเพียงวัตถุเท่านั้นเองเป็นเหมือนก้อนดิน ก้อนอิดก้อนกรวดก้อนทรายต่างกันตรงที่ว่ามันมีจำนวนน้อยหาได้ยากก็เลยมีคนอยากจะได้มาก็เลยมีราคาแพงขึ้นมาส่วนก้อนก้อนอิดก้อนกรวดก้อนทรายนั้นเป็นมีมากมันก็เลยไม่มีราคาอะไรสามารถหาได้อย่างง่ายดายแต่ถ้ามองถึงคุณสมบัติ ของมันแล้วมันก็ไม่มีวิความวิเศษวิโสอะไรมันก็เป็นก้อนอีกก้อนหินก้อนวัตถุเหมือนกันเท่านั้นเองเสื้อผ้าก็เช่นเดียวกันอาหารก็เช่นเดียวกันที่อยู่อาศัยก็เช่นเดียวกันยารักษาโรคก็เช่นเดียวกันมีราคาแพงหรือไม่แพงมันก็ทำหน้าที่ของมันได้เหมือนกันดูแลรักษาร่างกายให้อยู่ไป ตามสภาพของมันได้แต่สิ่งที่จะทำให้เราวิเศษวิโสนั้นเราไม่ค่อยสนใจหากันเพราะเราถูกความหลงคอยกีดกันนั่นเองเราจึงต้องเข้าหาผู้รู้เช่นพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกทั้งหลายท่านเป็นผู้ที่รู้จริงเห็นจริง ถึงสิ่งที่ดีที่เลิศที่ประเสริตถ้าเราได้เข้าหาท่านเหล่านี้เราก็จะได้ทราบว่าอะไรเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอะไรเป็นสิ่งที่จะทําให้เราวิเศษวิโสขึ้นมาสิ่งนั้นก็คือบุญกุศลนั่นเองหรือการกระทําความดีต่างๆ ว่าเมื่อทำแล้วจะทำให้จิตใจมีความร่มเย็นเป็นสุขมีความอิ่มเอิบใจมีความเจริญก้าวหน้าจิตใจของคนที่ทำความดีกับคนที่ทไม่ทำความดีนั้นมีคุณค่าต่างกันเราไม่ยกย่องสรรเสริญคนที่ไม่ทาความดีเรามีแต่จะยกย่องสรรเสริญคนที่ทำความดีกัน เพราะว่าคนทำความดีนั้นมีแต่ทำคุณทำประโยชน์ไม่ทำไม่ไม่ทความเดือดร้อนให้กับใครกับผู้อื่นหรือกับตนเองแต่คนที่ไม่ทำความดีมักจะไม่ได้ทำสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ไม่ได้ทำในสิ่งที่จะทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขทั้งกับตนเองและกับผู้อื่น ดังนั้นการทำความดีจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งยิ่งกว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เราไม่ควรมองข้ามการทำความดีถ้าเราอยากจะเป็นเศรษฐีที่แท้จริงมีทรัพย์ที่แท้จริงเราก็ต้องสะสมความดีเพราะความดีนี่แหลคือทรัพย์ที่แท้จริงเป็นทรัพย์ภายในจิตในใจของเรา เมื่อเราสะสมได้มากน้อยเท่าไรเราก็จะมีคุณค่ามากน้อยเพียงนั้นเช่นพระพุทธเจ้าของเราเป็นตัวอย่างพระองค์ทรงสละทรัพย์ภายนอกซึ่งทรงเห็นว่าไม่มีคุณค่าอะไรมีแต่สร้างความทุกข์ความความกังวลใจสร้างความวุ่นวายใจจึงได้ทรงสละทรัพย์ภายนอกแล้วก็สะสมทรัพย์ภายในด้วยการ ตั้งอยู่ในศีลธรรมความดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นระ ง, งับดับความโลภความโกรธความหลงต่างๆที่มีอยู่ในจิตในใจให้หมดไปเมื่อได้ทำแล้วจิตจิตใจของพระองค์ก็ทรงเต็มเปลี่ยนไปด้วยความดีความบริสุทธิ์ใจนี่แหละคือความดี ที่แท้จริงเป็นสมบัติที่แท้จริงของจิตใจว่าเมื่อมีความบริสุทธิ์แล้วก็จะมีความสุขเต็มที่มีความอิ่มมีความพอเต็มที่ไม่มีความต้องการกับอะไรต่างๆอีกต่อไปสามารถอยู่ในสภาพอย่างนั้นได้ไปตลอดอนันตการไม่ต้องไปหาสิ่งนั้นมาเพิ่มไม่ต้องไปหาสิ่งนี้มาเติม เหมือนกับจิตใจของพวกเราที่ไม่ว่าจะได้อะไรมามากน้อยเพียงไรก็ยังไม่พอไม่อิ่มสักทีต้องคอยหามาเพิ่มมาเติมอยู่เรื่อยๆและก็จะต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆตลอดอนันตการเช่นเดียวกันเพราะไม่ได้เป็นวิธีที่จะเติมความอิ่มความพอความสุขที่เลิศที่ประเสริฐให้กับจิตใจนั่นเอง ถ้ายังไปแสวงหาสิ่งต่างๆภายนอกมาเติมให้กับจิตใจเช่นลาบยศสละเสริญสุขเติมมามากน้อยเพียงไรเป็นมหาเศรษฐีระดับไหนก็ตามเป็นคนมีฐานะสูงขนาดไหนก็ตามมีคนยกย่องสระเสริญเยือนยอมากน้อยเพียงไรก็ตามมีความสุขที่ได้จากการสัมผัส รูปเสียงกลิ่นรสผลพระต่างๆมากน้อยเพียงไรก็ต่างก็จะไม่ทำให้จิตใจมีความอิ่มมีความพอมีความสุขอย่างแท้จริงมีการทำความดีเท่านั้นตามแบบฉบับ <c oughs> ที่พระบรมา ศ, าศาสดาของพวกเราได้ดำเนินมาแล้วได้นำเอามาเผยแผ่ สั่งสอนให้กับพวกเราถ้าพวกเราเชื่อแล้วน้อมเอามาปฏิบัติเราก็จะได้รับผลเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ได้รับมาเพราะความดีการทาความดีและผลของการทําความดีไม่ได้ขึ้นกับการกับเวลาไม่ได้ขึ้นกับสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นในสมัยพุทธกาลก็ดีหรือในสมัยปัจจุบันนี้ก็ดีการทำความดียังให้ผลที่ดีแก่ผู้กระทาเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าได้ทำความดีเราทำความดีตามพระพุทธเจ้าเราก็จะได้ผลเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าคือความสะอาดบริสุทธิ์ของจิตใจ ความสุขสุดยอดที่เรียกว่าปรมังสุขขังความอิ่มความพอไปตลอดอนันตการเป็นสิ่งที่ไม่อยู่เหนือวิสัยของพวกเราที่จะทำกันได้ถ้าเป็นสิ่งที่เหนือวิสัยแล้วพระพุทธเจ้าจะไม่เสียเวลามาสั่งสอนพวกเราเพราะถ้าไม่สามารถทำได้แล้ว สั่งสอนไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรพูดไปเท่าไรก็ไม่ทไม่สามารถจะทำได้อย่างนี้ก็ไม่มีประโยชน์เสียเวลาไปเปล่าๆแต่พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าพวกเราก็เหมือนกับพระองค์ท่านเองก่อนที่ท่านจะตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นคนธรรมดาสามัญเป็นปุถุชนธรรมดามีความโลภความโกรธความหลงเหมือนกัน แต่เมื่อมีความขยันหมั่นเพียรมีความมุมาณะมีความกล้าหารที่จะปฏิบัติทำในสิ่งที่ต้องทำคือลดละสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ตัดไปให้หมดสิ่งที่ไม่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพถ้าทำได้แล้วก็ปฏิบัติ รักษากายวาใจหาจยใจให้สะอาดบริสุทธิ์ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่โลภไม่อยากกับสิ่งต่างๆในโลกนี้แล้วก็จะสามารถบรรลุ ถ, ถึงขั้นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้บรรลุ ถ, ถึงได้อยู่ในวิสัยของมนุษย์ของพวกอย่างพวกเราทุกๆคนเพราะมีมนุษย์อย่างพวกเราที่ได้ ปฏิบัติได้ทำกันมาแล้วได้กลายเป็นพระอาหารหันตาสาวกขึ้นมาแล้วเป็นจำนวนมากมายกายกองนับไม่ถ้วนตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาจนถึงสมัยปัจจุบันนี้มีผู้ที่น้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติด้วยความกล้าหาญอดทนด้วยความขยันหมั่นเพียร และได้บรรลุผลเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้บรรลุมามีเป็นจํานวนมากเป็นพระอริยสงสาวกที่เป็นหนึ่งในพระรัตนตรายนั่นเองที่พวกเรายึดถือเป็นสรณะเป็นที่พึ่งท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่ยืนยันให้กับพวกเราว่าพวกเรานั้นอยู่ในวิสัย ที่จะประพฤติปฏิบัติที่จะบรรลุถึงผลที่พระพุทธเจ้าได้บรรลุ ถ, ถึงได้อย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าขอให้เรามีความเชื่อมีศรัทธามีฉัตรทะวิคือความยินดีมีวิริยะความภาคเพียนที่จะปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องเท่านั้น ขอให้ทําไปอย่าไปคิดว่าเราไม่มีบุญไม่มีวาสนาเพราะไม่มีใครจะมีบุญมีวาสนามากเท่ากับพวกเราแล้วการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาเจอพระพุทธศาสนาด้วยในขณะเดียวกันนี้เป็นบุญวาสนาเต็มร้อยแล้วไม่มีบุญวาสนาอย่างอื่นที่จะมีมากเท่านี้แล้ว เป็นโอกาสทองโอกาสอันประเสริฐที่เราจะสามารถตักตวงผลประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้อย่างเต็มที่ถ้าตายไปแล้วโอกาสหน้าจะไม่มีอย่างนี้อีกได้ง่ายๆที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาเจอพระพุทธศาสนาอีกเพราะขาวหน้าก่อจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อาจจะอีกหลายพันปีก็ได้ เพราะอาจจะต้องไปเวียนไหว้ตายเกิดเป็นอย่างอื่นก่อนไปตกนรกบ้างถ้าทำบาปไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างหรือถ้าได้ทำบุญไว้ก็ไปเกิดเป็นเทพบ้างเป็นพรหมบ้างก็จะหมดเวลาไปกับการเวียนไหว้ตายเกิดในภพเหล่านั้นเมื่อได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกพระพุทธศาสนาก็อาจจะหายไปจากโลกนี้แล้ว ไม่มีใครรู้เรื่องพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับในสมัยที่พระพุทธเจ้าของเราบังเพนเพื่อเพื่อเพื่อบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าในสมัยนั้นก็ไม่มีพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก่อนนั้นหลงเหลืออยู่ในโลกนี้แล้วพระองค์จึงต้องคําทางหาทางเองหาธรรมะเองจึงต้องเสียเวลา และลำบากลำบนอย่างยิ่งกว่าจะได้พบกับทางสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเป็นพวกเราแล้วถ้าไม่มีคนสอนแล้วรับรองได้ว่าไม่มีโอกาสไม่มีทางที่จะไดปะ้ปฏิบัติตนเองให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยเพราะขนาดมีคนสอนอยู่ทุกวี่ทุกวันก็ยังไม่ทำกันเลย แล้วถ้าไม่มีคนสอนแล้วจะทำได้อย่างไรดังนั้นขอให้เราคิดให้ดีว่าชีวิตของเรานั้นความสุขของเรานั้นอยู่ตรงไหนอยู่ตรงลาบยศสารเสริญสุขหรืออยู่ที่การทำความดีถ้าเราเอาความสุขที่ได้จากลาบยศสะลรเสริญสุขมันก็จะมีความทุกข์ตามมา เพราะมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่จะต้องหมดไปต้องจากกันไปไม่ช้าก็เร็วเมื่อถึงเวลาที่มันเสื่อมหรือมันหมดไปจากเราไปหรือเราจากมันไปก็จะเป็นเวลาที่เราต้องเศร้าโศกเสียใจมีความทุกข์เป็นอย่างมากแต่ถ้าเราเลือกเอาความสุขภายในใจ ที่เกิดจากการทำความดีเราจะมีแต่ความสุขไปตลอดเวลาเพราะความสุขที่เกิดจากทำความดีนั้นไม่ไม่จากใจไปนั่นเองอยู่กับใจไปตลอดนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเลือกว่าเราจะเอาความสุขแบบไหนความสุขที่มีความทุกข์เหมือนกับเหยื่อที่ติดปลายเบ็ด หรือจะเอาเหยื่อที่ไม่มีเบ็ดห้อยติดอยู่ด้วยเลือกเอาถ้าไปฮุบเอาเหยอที่มีเบ็ดที่ติดอยู่ปลายเบ็ดฮุบเข้าไปในปากเบ็ดมันก็ต้องเกี่ยวปากเกี่ยวคอแต่ถ้าเราเอาเหยื่อที่ไม่มีเบ็ดติดอยู่ก็มีแต่อาหารรวนๆันใดความสุขทางโลกกับความสุข ทางธรรมก็เป็นอย่างนี้ต่างกันตรงนี้ความสุขทางโลกมีความคุกมีความทุกข์ครุกเค้าไปด้วยส่วนความสุขทางธรรมความสุขที่เกิดจากการทำความดีความสุขที่เกิดจากการละเว้นการกระทําบาปความสุขที่เกิดจากการชำระความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากจิตจากใจเป็นความสุขที่สะอาดบริสุทธ ไม่มีความทุกข์ปนเปื้อนอยู่ด้วยเลยเป็นความสุขที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายได้ปฏิบัติได้มาเป็นสมบัติของตนแล้วนำเอามาสั่งสอนพวกเราชักชวนพวกเราให้ไปสู่ความสุขแบบนี้ ถ้าเราคิดสักหน่อยใช้ปัญญาสักหน่อยเราก็จะเห็นว่าเป็นความสุขที่ดีที่สุดเพราะความสุขชั่วเวลาเพียงไม่กี่ปีกับความสุขตลอดอนันตการเราจะเลือกเอาอย่างไหนก็เป็นเหมือนกับให้เลือกระหว่างเงินหนึ่งบาทกับเงินหนึ่งล้านเราจะเลือกเอาเงินอย่างไหน จะเอาหนึ่งบาทหรือจะเอาหนึ่งล้านคนฉลาดย่อมเอาเงินหนึ่งล้านฉันใดคนฉลาดก็จะเลือกเอาความสุขที่มีอยู่กับตนไปตลอดอนันตการแต่ถ้ายังโง่อยู่ก็จะเลือกเอาความสุขที่มีความทุกข์เจือปนอยู่และมีอายุไม่ยืนยาวนานเพียงไม่กี่ปี เราก็ต้องตายจากโลกนี้ไปแล้วความสุขต่างๆที่เราได้สะสมได้หามาไว้ก็จะต้องหมดไปนี่คือการดำเนินชีวิตของเราการเดินทางของเราเราได้มาถึงทางแยกแล้วว่าเราจะไปทางไหนดีจะไปทางธรรมหรือจะไปทางโลกไม่มีใครบังคับเราได้เรา เป็นคนที่จะต้องตัดสินใจเองแล้วเราก็ต้องเป็นคนรับผลของการตัดสินใจของเราเมื่อถึงเวลาที่เรามีความทุกข์มีความเศร้าโศกเสียใจก็อย่าไปโทษใครโทษตัวเราเองที่เราเลือกทางนี้ไม่มีใครเขาบังคับเราให้ไปดังนั้นจึงอยากจะให้ท่านจงคิดพิ พิจารณาให้ดีเปรียบเทียบให้ดีว่าระหว่างทางที่พระพุทธเจ้าได้ดำเนินไปกับทางที่พวกเรากำลังดาเนินอยู่นี้ทางไหนจะวิเศษกว่ากันทางไหนจะดีกว่ากันขอให้ท่านเลือกทางที่ดีเพราะว่าจะได้พบกับสิ่งที่ดีงามจึงขอฝากเรื่องการทำบุญทำทาน เรื่องการทำความดีตลอดเวลาทุกการละสถานที่ให้ท่านได้ไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุ้มสผลบุญที่ท่านได้มากระทำกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญ